ท่านสาธุทธ บ, บริษัททั้งหลายและพโยคาวจรทั้งหลายตลอดจนทั้งท่านพระวิสุสมณีทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วก็เป็นบาระที่ท่านทั้งหลาย จะเริ่มใชอารมณ์จิตของท่านให้เป็นประโยชน์เพื่อตักกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารสำหรับประวันวานนี้เว่าผมได้พูดถึงเรื่องของนิติทา ย, ยานในหมวดข้อนาปานกสติกรรมฐานความจริงก็ยังไม่จบ แต่ว่าจะขอย้อนรอยถอยหลังสักนิดหนึ่งว่าการเจริญพระกรรมฐ า, านที่จะให้ได้ดีไม่ใช่ว่าเราจะตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สมาธิอย่างเดียวหรือว่าจะทำแต่วิปัสสนาญาณอย่างเดียวถ้าทำแบบนี้ไม่มีผลถ้าการที่จะปฏิบัติให้มีผลจริงๆ นั่นก็คือต้องมีอารมณ์สัมรวมอยู่เสมอคำว่าสัมรวมก็ได้แก่การระมัดระวังคือหนึ่งระวังศีลอย่าให้บกพร่องสองระวังสมาธิอย่าให้เคลื่อนสามระวังปัญญาอย่ายใช้ไปในด้านของอกุศล ถ้าท่านหลายระวังอยู่อย่างนี้เป็นปกติผลเนื่องการปฏิบัติไม่เป็นของยากและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอิธิบาตสี่ันทะมีความพอใจในอารมณ์กรรมฐานที่เราจะพึงปฏิบัติวิริยะมีความขยันหมั่นเพียร ลุกไล่กิเลสให้มันพินาจไปจิตตสนใจในเรื่องการเจริญกรรมฐานโดยตรงวิมังสาใช้ปัญญาพิจารณาควบคุมจิตว่าเวลานี้จิตของเราตกอยู่ในสภาวะอะไรตกอยู่ในสภาพของกุศลหรือว่าอกุศล เป็นอนุว่าถ้าทนานหลายมีธิบบาทสี่ครบถ้วนการเจริญกรรมฐ า, านเป็นของไม่ยากให้บริการต่อไปก็คือการเข้าใจฟังแล้วคิดคิดจะทดลองในการปฏิบัติการทดลองในการปฏิบัติต้องเป็นการทดลองอย่างจริงจังไม่ใช่ทําเล่น ถ้าว่าท่านทั้งหลายทำได้อย่างนี้เป็นปกติก็เป็นว่าการเจริญกรรมฐานเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ตอนนี้ไปก็จะขอเตือนมัรดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายว่าการเจริญกรรมฐานที่ดีจริงๆเราต้องมีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติ อย่าใช้อารมณ์พิษเป็นอกุศลภายนอกกายวาจาให้อยู่ในธรรมอย่าทำกายวาจาเข้าไปถึงด้านของอกุศล น, นั่ น, นแสดงว่าจิตมันเร็วถ้าจิตดีกายวาจามันก็ดีถ้าจิตเร็วกายวาจามันก็เร็ว เราเกิดมาเวลานี้เราต้องการความดีแลืวว่าต้องการความเร็วถ้าเราต้องการความดีก็พยายามทรงความดีไว้เอาจิตใจคุมไว้ในด้านของความดีวิธีปฏิบัติเพื่กรรมาฐานให้ใช้อารมณ์พิจารณากับอารมณ์ทรงตัวสลับกันไป ื่อวันนี้จะพูดถึงสังขารุปปิขาญาณวิธีทรงตัวก็คือควบคุมอารมณ์ใจให้เป็นสมาธิตามที่ท่านปรารถนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งหมดนี้เปน็นหมดหมดข้ออนาปานุสติกรรมฐานแล้วก็อนาปานุสติกรรมฐานนี่ท่านจะทำกรรมฐานหมดใดก็ตาม จะต้องใช้อนาปานุสติกรรมฐานขึ้นตนไว้เสมอถ้าหากว่าท่านทิ้งอานาปานุสติกรรมฐานเมื่อไรนั่นหมายความว่ากรรมฐานของท่านจะสลายตัวเืียศีลก็ไม่ทรงตัวศีลที่ทรงตัวเขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐาน สมาธิก็ไม่ทรงตัวสมาธิทรงตัวเขาเรียกจิตตานุปัสนามาหาปฏิปทานวิปัจจัยนี้มัาานก็นไม่เกิดนี่เราจะต้องคุมอารมณ์สมาธิวิธีการคุมอารมณ์สมาธิก็มีทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งคือทรงอารมณ์จิตให้หยุด คำว่าหยุดหมายความว่าใช้คำภาวนาหรือว่ากำหนดรูดลมให้ใจเขาออกไว้เป็นปกติโดยไม่คิดถึงลมอื่นใดอย่างนี้ได้ว่าทรงให้หยุดถ้สมาธิในได้ของการหยุดคือจิตมันหยุดคิดเรื่องอื่นคิดเฉพาะจิตที่เราจะพึงกระทำที่คิดถึงคำภาวนาคิดถึงลมให้ใจเขาออกโดยเฉพาะ คำว่าหยุดนี่ไม่ใช่หยุดเลยหยุดอารมณ์อื่นเพื่อทรงอารมณ์ไม่โดยเฉพาะนี่เป็นแบบหนึ่งมีแบบอีกแบบหนึ่งก็ใช้การพิจารณาในด้านกรรมฐานที่จะพึงมีสําหรับการภาวนาหรือว่าด้านนิวปัสนายานคือพิจารณานคะ ร, รับไม่ใภาวนาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุให้ผลหาผลเบื้องการละ เมื่อการพิจารณามันเฟื่องเกินไปจิตจะโฟว์จะออกเน่าโลนอกทางก็ทิ้งการพิจารณาเสียหันเข้ามาจับอารมณ์หยุดคือนาปานณสติควบกับคำภาวนาว่ายังไงก็ได้ตามใจท่านจมกทั่งจิตสรงอารมณ์ตัวดีแล้วก็มีความเยือกเย็นดีคลายรมมาใช้การพิจารณา ถ้าทำสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความเป็นประโูนดาสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากอย่าลืมว่าทุกท่านต้องมีทิบาสีครบทนวันนี้ข อ, อย้อนลอยถอยหลังไปหานิพิทายานสักนิดหนึ่งความจริงวิปัสน า, าญาณนี่มีเก้า แต่ผมนำมาพูดกับพวกท่านเพียงสองก็เพราะว่าเห็นว่าทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นไม่หนักแล้วก็มีความสำคัญน้อยความสำคัญใหญ่ในด้านการปฏิบัติแล้วก็จับนิพิทายานให้ได้วันนี้พูดกันถึงว่าสกิทาคามีมักในด้านของกามมาชันทะ เราหาทางตัดกามคุณโดยอารมณ์ดีว่ารูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นของดีเรามานั่งพิจารณากันดูว่ามันดีจริงๆแล้วว่ามันเลวสิ่งที่เราปรารถนานั่นคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆคือความผ่องใส กอรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปสวยเราชอบเสียงพระเสียงที่ไพเราะเป็นประโยชน์จับใจเราชอบกลิ่นหอมเราชอบรสอร่อยเราชอบสัมผัสเป็นที่ถูกใจเราชอบแต่ว่าสิ่งที่เราชอบนั้นมันทรงตัวหรือเปล่า มันจะทรงตัวสวยสดงดงานอยู่ตามนั้นมันจะหอมโหรโยนใจยอยู่ตามนั้นมันจะมีรสอร่อยในการสัมผัสอยู่ตามนั้นมันมีไหมมีอะไรบ้างในการทรงตัวแบบนี้ในที่สุดเราก็มองเห็นว่ามันไม่มี ไม่มีอะไรทรงตัวเป็นปกติมันมีการเคลื่อนไปเพื่อสลายตัวรูปสวยเดี๋ยวก็สมองเสียงเพราะผ่านไปเสียงเขาบอกคนคนเดียวกันเดี๋ยวก็เพราะเดี๋ยวก็ไม่เพราะเวลาเขารักเขาชอบใจเสียงมันก็เพราะเวลาเขาโกรธแล้วเขาเกลียดเสียงมันก็ไม่เพราะกลิ่งก็เช่นเดียวกัน มันจะหอมตลอดกาลตลอดสมัยได้ไหมมันก็หอมไม่ได้หอมพ่านจมูกไปแล้วก็หายไปดีไม่ดีเก็บไว้นานๆกลายเนกลิ่นเหม็นรสที่สัมผัสปลายลิ้นกับกลางลิ้นพอถึงคนลิ้นมันก็หายไปการสัมผัสระหว่างเพศเราปรารถนากันมาก ว่ามันเป็นสุขแต่ดูคนดีก็มีคู่ครองเขาสร้างสุขหรือเขาสร้างทุกข์ความเป็นบัตรของเราไม่มีถ้าเรามีคู่ครองเพราะว่าจะต้องมีความห่วงใยในคู่ครองเป็นปกติถ้ามีลูกหลานเลีขึ้นมาเป็นยังไง แต่สภาพของบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราเขาอย่าสาวเขาแย่นมสวยสดงดงามตลอดเวลาหรือเปล่าอย่าลืมมองดูคนแก่บ้างคนที่แกในเขาหนุม่มเขาสาวกันมาแล้วทางนั้นแต่ในที่สดุดเมื่อสภาพความแก่เกิดขึ้นมันมีสภาวะเป็นยังไง นั่งมองโลกนี้ว่ามันเป็นสุขและเป็นทุกข์การมีคู่ครองเป็นสุขและเป็นทุกข์นึกเอาเองเพราะว่าทุกคนมีปัญญาว่ากันโดยในแล้วไม่มีอะไรทรงตัวมันมีสภาพนามาซึ่งความทุกข์และมันน่ารักน่าปรารถนาและว่าน่าเบือ่อ ใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีเป็นอนรรันเบื่อท่านจะเบื่อหรือไมรร่เบื่อแต่ผมเบื่อผมถือว่าผมเบรรื่อแล้วนั่ก็เ บ, บรรื่อถึงที่สุดของจิตไม่เคยคิดไม่เคยปรารถนาเพราะว่าเห็นคนก็ไม่เห็นสรากศพ เห็นวัตถุที่มีอาการผ่องใสก็สล ด, ดใจว่ามันผ่องใสไม่นานเพราะว่าเห็นมันมามากผ่านชีวิตมาหลายสิบ ป, ปีมีความเข้าใจดีในเรื่องนี้นี่สำหรับท่านจะเบื่อหรือไม่เบื่อเมื่อ น, นิพพยายนเกิดขึ้นก็มีหลายคนอยากจะตายหากว่าท่านจะถามผมว่าอยากตายไหม เวลานั้นมันอยากตายจริงๆเห็นคนเลวเบื่อเห็นสัตว์เลวเบื่อเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายเบื่อเห็นบริวารเลวก็สียสีเยนเห็นเพื่อนเลวก็รังเกียจรวงความว่าเราหาคนดีกันไม่ได้คําว่าหาคนดีก็ไม่ได้บางทีเขาไม่นิสัยดี มีจริยาดีมีจิตซื่อตรงแต่ว่าร่างกายของเขามันไม่ดีร่างกายมของเขามันเดินก็ไปหาความผุความพังเดี๋ยวก็เป็นโรคอย่างนั้นเดี๋ยวก็มีอาการอย่างนี้ความแปรปรวนมันเกิดเลยพบความไม่ดีก็เลยเบือ่อบริษัทบริวารก็เหมือนกันทุกคนก็อาจจะเป็นคนดี แต่เราเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้จริงจังไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยเพราะว่าเขาต้องตกจุลนสภ่าเขานี่จังหาความเที่ยมไม่ได้ทุกครั้งความทุกข์มันยุ่งกับเขาอนัตตาในที่สุดเขาก็ตายเป็นอันว่าที่พึ่งของเราจะพึ่งใครก็ตามเขาก็แก่ลงไปทุกวันเขาก็ป่วยทุกวันเขาก็ตายทุกวัน เป็นอันว่าเราก็จำจะต้องเบื่อเพราะสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักมันมีสภาพเป็นอย่างนั้นเขาเองเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้น่ <c oughs> ว่ากฎธรรมดามันบังคับ <c oughs> ในเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นมากๆ ก, ก็อยากจะตาย <c oughs> ในสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้างบริพายชกฆ่าชนหลายสิโอให้ฆ่าตนแล้วก็ให้บริการเป็นเครื่องรางวัลฉะนั้นองค์สมเด็จพระพิจิตามาจินิตทรงแนะนําว่าท่านนั่งหลายเมื่อพิจารณากายแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนแล้วจะรวมเข้าไว้ก่อนคํำบารมเข้าไว้ก่อนก็หมายความว่าอย่าเพิ่งทิ้งมัน ถ้าถึงเวลามันพังของมันเองยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั่นก็คือใช้สังขารุเปขฆายานันถ้าเป็นยานในโลกีเนชานเราเรียกว่าสังขารใช่าเราเรียกว่าอเาุเบขาแปลว่าวางเฉยแน่รมแต่ว่าในด้านวิปัสสนาญาณเนี่าสังขารุเปขฆายานัน คือใช้ปัญญารู้ตามความจริงแล้วก็มีความวางเฉยในเรื่องของขันห้าขันห้าของเราขันห้าของเขาเราก็เฉยหมดเฉยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะพังก็ช่างมันมันไม่พังก็ช่างมันมันจะหนุ่มก็ช่างมันมันจะสาวก็ช่างมันมันจะป่วยก็ช่างมัน มันจะแก่ก็ช่างมันมันจะตายก็ช่างมันทําไมจึงช่างก็เพราะธรรมดามังเป็นอย่างนั้นทําจิตของเราให้สบายยอมรับนับถือกฎของธรรมดาถือว่าธรรมดามันเป็นอย่างนี้เราไม่มีทางจะเลี่ยงอาการมันเกิดขึ้นจิตเราไม่วุ่นวายจะเกิดยังไงก็ช่างก็ช่าง ที่ว่าขันห้าอันนี้ไม่ช่ามันก็พังพังเมื่อไรเราไปนิ่ผ่านเมื่อ น, นั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราก็หันก็มากเดีวยวถึงเรื่องกรรมฉันทะในสกิทาคามีมรรสสกิทาคามีผลเรายังตัดกันไม่ได้เด็ดขาด <c oughs> ในเรื่องกรรมฉันทะหรือโลภหรือโทสะหรือโมหะแต่ก็บันเทาลงมาก คล้ายๆกับจะได้นาคามีผลไม่มีที่ที่เราจะระ ง, งับมันได้จริงๆอย่าลืมว่าต้องใช้กรรมฐานหนึ่งกายกตานุสติล่าสุขกรรมฐานเ<ม>่อจำใจไว้เสมอให้มีความรู้สึกทรงตัวเรื่องความรักในเพศหยุดที หรือว่าหยุดกันเซียทีเพราะเรื่องนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เรารักมันสกปรกตามที่พูดมันแล้วอย่าย้ำให้มากเลยในเมื่อมันสกปรกโซคออย่างนั้นจะอะไรมาดีแล้วก็นำมรณานุสติกรรมฐานเข้ามาว่าคนที่เรารักนี่ไม่ช้าก็ตาย ตายแล้มันน่ารักตรงไหนเป็นอนุว่าคนที่เรารักก็คือเรารักสวมเคลื่อนที่นั่นเองมันเต็มปไปด้วยความสุขกปรกเต็มปไปด้วยความโสโครกท่นในที่สุดก็ต้องมาเป็นทีตายและร่างกายของเราก็ไม่ไภาพอย่างนั้น และเมื่อเรากับท่านเรากับเขาไม่สภาพเสมอกันต่างคนต่างสุขรกระบกต่างคนต่างไม่ทรงตัวต่างคนต่างตายจะมานั่งลํำพึงลําพันเรื่อความรักเมันด้วยประโยชน์อะไรใจก็วางเฉยจะมายังไงก็ช่า ง, างเห็นคนให้มีสภาพทำจิตที่มีสภาพมันเห็นศพ เห็นผิวพันธุ์ก็ดูภายในแม้แต่ผิวพันธุ์เขาก็สกรปรกมันไม่ได้สะอาตอนนี้สภาวะของจิตมีความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่มันท้อแท้ใจเราก็ทำใจวางเฉยในสังขารุูปิขายานว่าสภาพความสกรปรกอย่างนี้สภาพความวุ่นวายเพื่อความรักอย่างนี้ มันไม่มีสําหรับเราแล้วเราจะไปยุ่งอะไรใครจมาใครจไปยังไงเราก็เฉยอันดับแรกรอย่าลืมว่ามึงมาโกมุดคําว่ามึงมาโกมุดมึงหยุดโกแยมึงแยกโกตีมึงหนีโกตามมึงมาโกมุดนั่นหมายถึง ว, ว่างวางความว่าถ้าเห็นสภาวะที่เราจะพึงรักตักามชันทะ เราก็มุดเข้าไปหาสุภกรรมฐานกับกายยกาตากับกายกกายกาตานุสตินอกจากสกายยะทิฏฐิว่าร่างกายมันไม่ใช่ไครไม่ใช่ของไครเป็นเป็นธาตุสีที่ตัณหาข้างขึ้นให้เวรเรื่อนละเรื่องร่างโชคราวใจก็มีอารมณ์สมบายเมื่อจิตมีอารมณ์สมบายใจมันเฉยอารมณ์มันเบา อย่าลืมนะครับอารมณ์ขอสมถะที่เป็นฌานมันก็มีสภาพคล้ายๆความเป็นอรหันต์เหมือนกันแต่อารมณ์หนักแนบแน่นหนักหน่วงแต่อารมณ์ตัดจริงๆเป็นอารมณ์เบามีความ ส, มสมบา ย, ยๆเฉยๆเหมือนกับไม่มีอะไรมา่วงใจใจเบาใจสบายความรักในระหว่างเพศมันไม่มี อาการอย่างนี้ที่ว่าสังขารุปเปกลายาในเฉพาะกรรมชันทะที่เราจะพึงตัดแต่อย่าลืมว่าอารมณ์ของพระสกิธาคามียังตัดกามชันทะไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้ว่าก็สามารถที่จะระ ง, งับอารมณ์ไม่ได้มากนานๆจะมีอารมณ์เกิดสักครั้งหนึ่งในเรื่องของ ในเรื่องของการมีความรู้สึกในการมารมณ์นี่เป็นอันว่าเราเข้าถึงสังขารุปเปคา ย, ยานอารมณ์ใจสบายสบายในตอนนี้เรียกว่าเบาลงไปมากความรู้สึกในระหว่างเพศมันจะมีขึ้นมาบ้างสำหรับพระสิธาคามีแต่ว่ามีแล้วมันถอยหลังเร็ว ถอยไปไหนมันหลบก็บไปหาสัพสัญญาอย่าลืมนะครับอันนี้ต้องทำกันให้ชินไม่ว่าเห็นหรือไม่เห็นมีความรู้สึกเท่ากันถ้าอารมณ์รักเกิดขึ้นมามาไหรก่ก็ผลักให้มันล้มไปเหมือนนั้นใจเราผมอยากจะพูดว่าคำว่ามึงมากูมดุด เราควรจะพูดใหม่ว่ากูมุดต้องแต่ตมึงยังไม่มามุด ต, ตรงไหนมุดข้าโยนในอสุปสัญญาคือในอสุปรกรรมฐานกับกายกตานุสติจิตจับอารมณ์ให้ส่งตัวไว้นั่งนึกนอนนึกจิตพิจารณาอยู่ว่าใครหนอในโลกนี้ที่จะมีร่างกายสะอาด ร่างกายของบุคคลใดที่เป็นปัจจัยของความสุขมันไม่เป็นปัจจัยของความทุกข์สมมติว่าเราจะมีคู่ครองสักคนปกติในยามเชา้าตื่นขึ้นมาเราเข้าห้องน้ำห้องส่วมไม่เข้าไม่ได้เสร็จแล้วล้างปากล้างหน้าต่อมาก็รับประทานอาหารทำกิจการงานทุกอย่างก็ย่าหมดวัน เมื่อสิ้นวันสิ้นเวลาแล้วล้วก็นอนพักสิ้นงานตื่นมาก็ทำงานใหม่ที น, นี้เราจะหาคู่ครองสักคนที่ได้มาครองงานทุกอย่างไม่ต้องทำหน้าไมา่ต้องล้างปากไม่ต้องล้างข้าวไม่ต้องกินมันสะอาดผ่องใสไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมีคู่ครองแล้วเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้าหาได้อย่างนี้แล้วก็ควรจะหาถ้าบังเอิญหาไม่ได้อย่างนี้เราก็มุดอยู่ในอสุปสัญญากับกายคตานุสติกรรมทานบวกกับสกายาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ช้ามันก็พังเราติดอยู่ในร่างกายรูปในกลิ่นในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอร่อย สัมผัสระหว่างเพศก็เชื่อเราติดอยู่ในทุกข์เราหาความสุขไม่ได้จนกระทั่งเมียลมใจเย็นเย็นสบายไม่ไม่วิตกไม่กังวลเรื่องความรักในระหว่างเพศไม่วิตกไม่กังวลด้่ยรุ่นในเมื่อพบรูปสวยเราก็เห็นว่ามันไม่สวยฟังเสียงไพเราะเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันหายไป กระทบกลิ่นที่หอมหวานหอมหวนยวนใจแล้วก็ถือว่ากลิ่นก็หายไปด้ความหนาดของลมแล้วหากว่าจะมีการสัมผัสก็ถือว่านี่แล้วกระทบแากของผีแต่จิตใจของเรายิ้มอยู่เสมอว่าสิ่งท่านหลายเรานี้จะเป็นมารที่เราเรียกกันว่ากิเลสมารจนกระทั่งจิตใจของบรรพุทท่านอย่างหลายนานๆจะมีลมราคะเกิดสักครั้งหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกตัวจิตบอกว่านี่มึงมาอีกแล้วหรือเจ้าภัยใหญ่เจ้าตัวร้ายมาอีกแล้วหรือจิตมีความรู้สึกอย่างนี้ในที่สุดอารมณ์ก็สิ้นไปเมื่อความรักในเพศหรือความรความรักในรูปเสียงกลิ่นรสผดสภพากเกิดขึ้นมาใดอารมใจคือปัญญา ทุกโตขึ้นมาตัดทันทีทันใดอย่างนี้เราเรียกันว่าสกิทาคามีผลในด้านเคราะาเจริจิตที่มีความรักสวยรักงามได้ยังนั ก, กรับยังยังไม่เต็มมานาคาสกิทาคามีดีเพราะเรา เ, เริ่มตัดเพียงแค่าราคะ แต่ก็อย่าลืมว่าถ้าเราจะตัดกิเลสตัวใดตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวนําในราคะคนดีในโทสะในโลภะก็ดีในโทสะก็ดีในโมหะก็ดีถ้าตัวใดตัวหนึ่งมันพังลงไปแล้วอีกทุกตัวมันก็พลอยพังด้วยเพราะมันไม่สามารถจะช่วยกันพยุงได้รากเง้าของกิเลสทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามีอยู่สาม คือราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภะโทสะโมหะมันเป็นโต๊ะสามขาในเมื่อมันหักไปเสียขายสองขาก็ไม่สามารถจะยันได้ชั้นใดในรากเงาของกิเลสตั้งสามรืการนี้ก็เช่นเดียวกันหากว่าท่านท่านหลายทำใดราคะตัวใดมาให้ะเฉพาะตัวนี้ให้พินาศไป จนกระทั่งกำลังใจทรงเปน็นอุเบกหายานไม่หวั่นไหวในรูปเสียงเกณฑ์รถสัมผัสอย่างนี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสง์สวัตดีโสภาคระวังให้ดีนะครับบางทีท่านมาอยู่แค่สิกธาคาและบางทีท่านก็นมาอยู่ในเคตืพระนาคาดีไม่ดีปุบปักเปลรหันทันทีถ้าราสำหรับวันนี้มองดูวเวลาก็หมดแล้ว พระบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบัีแปลวจนพากันตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรแต่เวลาเมื่อชอบใจอย่างไหนทาอย่างนั้นชอบใจวิยาบทอย่างไหนทำอย่างนั้น เรื่องิยาบทนี้บอกกันมาเป็นปกติว่าจะนั่งก็นได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็นได้แล้วก็ยังมีหลายรายไม่มีความ้อใจไปที่หน้าเส้นไดอะไรเวลาหมดแล้วสำหรับันนี้เขาข อ, อยุติไว้ก่ยงเท่านี้